น, น้อมต่อคุณปรตัตนตรยัยขอการเพื่องสารธรรมทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ้างเนาะพื้นดินก็จะได้มีความชุ่มฉ่ำนะหลังจากที่ฝนก็ไม่ได้ตกมาต o n นานแล้วเนาะครั้นี้ถึงแม้ว่าเราช่วงที่ฝนไม่ตก เราจะลดน้ำต้นไม้ก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้ชุ่มชํำเหมือนกับที่เวลาฝนตกจริงจริงนะเพราะว่าต้นไม้นั้นนะได้รับฝนนี้นะมันถึงเข้าไปถึงในรากนะแล้วก็บริเวณต่างๆเขาก็มีความชุ่มชำํำนะจิตใจคนเราก็เหมือนกันนะจิตใจคนเรา ถึงแม้ว่าเราบางคนที่มีความเครียดต่างๆไปแก้ความเครียดโดยวิธีการต่างๆนะไปดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวก็แล้วแต่เนาะนั่นหมายกับว่าเราเป็นการไปลดน้ำต้นไม้นะมันก็ความชุ่มชื้นก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะเพราะมันไม่ได้เข้าไปในใจจริงๆเป็นแค่การเบียเบ่ยงเบี่ยงเบน ความสนใจไปอยู่ในสิ่งที่เราเปลี่ยนไปความเครียดความเหงาไปเป็นความบันเทิงเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันจิตใจก็ไม่ได้รับความสงบหรือความสุขที่แท้จริงแต่การที่ผู้ที่มาสนใจมาฝึกเจริญสติเพื่อให้จิตใจเข้าถึงความรู้สึกตัว ตามรู้กายรู้ใจต่างๆเหล่านี้นะก็สิง่งเหล่านี้ก็เหมือนกับฝนตกลงมาาแรงๆนะมันก็จะนําความเยือกเยน็นะความสุขความสงบนะความเป็นปตุติมาสู่ใจิตใจของเรายนะิ่งกว่าการที่เราอาจจะไปเบียงเบีย น, ยนใ จ, ใจิตใจไปดูมหาศพนะนะหรือฟังสิง่งต่างเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นการแก้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะ จิดใจของเราวันๆหนึ่งแล้วก็ไหลไปในอารมณ์ต่างๆอยู่บ่อยๆนะการที่เราไม่สามารถที่สังเกตอารมณ์ของเราได้นะมันก็จะไหลไปติดในอารมณ์ต่างๆจากที่เราตาเห็นรูปบ้างหูได้ยินเสียงบ้างจมูกได้กดลิกล่นเล่นรูเล็ตกายกระทบเ <c oughs> ย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดไปต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เป็นประตู ประตูที่จะนํากิเลสตัณหามาสู่ใจเรานะแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันก็จะไปปรุงแต่งอาการติดต่างๆเหล่านั้นต่อไป <c oughs> โดยที่เราไม่อาจจะรู้เท่าทันต่างๆสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังหลงไหลไปในลมต่าง ๆ, ๆนั้นก็เป็นความปรุงแต่งครับทั้งวันนะวันวันหนึ่งก็แทบจะไม่รู้ ไม่กลับมารู้ว่าเราขณะนี้กําลังมีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานะบางทีเราเห็นรูปนะเรากไไไ็ไม่รู้ว่าสิ่ ง, งต่างๆนะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็ไหลเข้าไปแล้วนะนะสิ่ ง, งต่างๆแล้วนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งเราสามารถสังเกตได้ในความที่เรียกว่าอาการที่มันขึ้นไหวอยู่ตลอดเวลาเนะนะมต่เราเดินไปไหนมาไหนนะอย่างถ้าเรา ขับรถนะเราจะสังเกตพวกนี้ได้ง่ายขับรถไปมีรถมาแซงหน้าเรานะถ้าเราเป็นคนขับแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะเห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นมาก็รู้ทันขณะนีนะ้มีความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเราแล้วนะแค่นี้เองการปฏิธรรมก็จบแล้วนะขับรถไปนะปาดหน้าไม่เป็นไรนะเราขับไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะไม่ต้องไปปาดหน้ากลับเขา นะตรงนี้เราก็ขับสบายใจนะแต่บางคนก็ไม่ไม่พอใจเก <c oughs> ิดความขัดเคืองขึ้นมาก็ไปขับรถปาดหน้าเขาอีกนะปาดไปปาดมารู้ไม่ทันนะจิตใจเราบางคนถ้าเกิดมีปืนขึ้นมาก็อาจจะชักปืนยิงอีกคนหนึ่งตายได้นะทั้งทงไีไม่รู้จักมาก่อนเลยนั่นะก็เพราะว่าการที่รู้รไม่ทัน จ, จัดจิตใจของเราที่มีความปรุงแต่งในความ <c oughs> ไม่พอใจเกิดขึ้นมาในขณะนั้น ขับรถไปเจอไฟแดงไม่พอใจขึ้นมาอีกลู้ว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นมาี น, นจบแล้วนะเมื่อไฟเขียวเกิดขึ้นมีความพอใจเกิดขึ้นมารู้ว่ามีความพอใจเกิดมาในใจเราการบัตรธรรมก็จบแล้วขับไปเรื่อยๆเจอเพื่อนที่รู้จักกันเพื่อนบกมือไม่บายให้กับเรามีความยินดีพอใจรู้ว่ามีความยินดีพอใจเกิดขึ้นจบแล้ว ขับขับไปอ้าวยางแบน์สกมนลงมาดูรถอ้าวทำไมยางแบนได้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในใจเรารู้ความทุกข์เกิดในใจเราการบัตรรมจบแล้วเอามองไปข้างๆอ้มีรถมีร้านที่ปะยางอยู่ตรงนี้เองนะเห็นปุ๊บโอ้ดีใจเลยโโชคดีนะมีร้านปะยางอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองมีความดีใจเกิดขึ้นในใจรู้มีความดีใจเกิดขึ้นมา การบฏิธรรมจบแล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ว่ามันปรากฏขึ้นมาอยู่ในชีวิตประจําวันนี่แหละเราเรารู้เท่าทันไหมอาการเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็ไหลเข้าไปนะไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรกํลาลังเกิดขึ้นในใจเรานั่นแหละเป็นความไหลเข้าไปนะที่มันไหลเพราะเราหลงหลงที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆก็เลยไหลเข้าไปยินดีร้ายโดยที่ไม่รู้ว่าขณะนั้นกํลาลังมีอาการอะไรเกิดขึ้นใน ใ, นใจเรา นะตรงนี้นะมันเป็นลักษณะที่ว่าเราสามารถรู้เท่าทันไดนะ้ในทางกายเราก็รู้ไปนะกายยืนเดินนั่งนอนนะเดินเราก็รู้นะอาการการเดินนะปรากฏขึ้นนะรู้ขณะนี้เรานั่งนะเราก็รู้นะเรานอนเราก็รู้นะเราดื่มน้ําก็รูนะ้กินอาหารก็รู้เนะี่ยมันจบในแต่ละขณะแล้วนะรู้แต่ละขณะที่เราทํานะ กว่าบ้านรู้ว่าขณะนี้กำลังกวาดบ้านปฏิบัติธรรมจบแล้วซักผ้ารู้ว่าขณะนี้กำลังซักผ้าปฏิบัติธรรมจบแล้วแปรงฟันรู้ขณะนี้กำลังแปรงฟันจบแล้วนะล้างหน้ารู้ขณะนี้กําลังล้างหน้าการปฏิบัติธรรมจบแล้วกําลังเดินรู้ขณะนี้กำลังเดินปฏิบัติธรรมจบแล้วนะเพราะจริงๆมันสั้นๆเพราะมันเป็นเรื่องของปัจจุบันธรรมปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ยาวนะเปนเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเอง นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าเราในหลายมันไม่ต้องเป็นไปใช้ความคิดแต่เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองว่าเรากําลังทำอะไรอยู่กําลังนั่งอยู่เราก็ไม่ต <c oughs> ้องคิดว่าก Lisa ําลังนั่งอยู่นะมันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงนะแต่ถ้าเมื่อเช้านี้เราตื่นขึ้ น, นมานะเราเราทําอะไรบ้างนะ น, นี้เราต้องมีคิดไปถึงเรื่องเมื่อเช้าเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นปัจจุบันแต่มันเป็นอดีตนะหรือประเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรต่อ อันก็เป็นเรื่องของอนาคตมันไม่ใช่เรื่องของ Recently, ปัจจุบันแต่มันก็ต้องใช้ความคิดแต่ปัจจุบันไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมันเป็นแค่ความรู้สึกท่านั้นเองนะที่มันจะรู้ในปัจจุบันนี่แหละรู้กายไปตามความเป็นจริงในปัจจุบันรู้ความคิดรัวลมต่างๆในปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ใช่เป็นเรื่องอดีตหรืออนาคตที่เราจะต้องไปคิดหาในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ปรากฏการขึ้นมาเฉพาะหน้า แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้แล้วตั้งแต่สมัยที่แสดงธรรมในสติปัฏฐาน4ที่บอกว่าหายใจหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวก็ไม่ได้ทรงบอกว่าต้องหายใจอย่างไรหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกยาวหรืออะไรให้รู้ไปตามความเป็นจริงแต่ละขณะที่ ปากฏขึ้นมาจริงๆนะแล้วก็ตรงบอกว่านะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านาั่งนอนก็รู้ว่านอนนะก็คือรู้ไปตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่ว่าเดินช้าๆหรือเดินเร็วๆหรือเดินอย่างไรนะหรือว่าทำอย่างไรแต่ให้รู้ไปตามความเป็นจริงในขณะนั้นที่เกิดขึ้นมาจริงๆเป็นปัจจุบันธรรมนะหรือบอกว่ า, วานะเดินเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเหลวซ้ายแลขวา เดินหน้าถอยหลังนะก้มเงยเงยนะคู่แขนเดียดแขนสนะงคาสังฆาติจีวร น, นะก็คือนุ่งเสื้อผ้านะเข้าห้องน้ำอุนะจจาระปัสสาวะนะหรือว่าดื่มกินพูดคิดนะลิ้มทั้งหลายแหลนะนะกระทำทุกอย่างอีบยควาต่างๆก็ให้รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่ได้บอกว่าให้ทำ ช, ช้า หรือทําเร็วๆหรือทําแปลกๆอะไรทั้งสิ้นก็คือเราเคยทํำยังไงก็รู้ไปตามอย่างนั้นเพียงแต่เราก็ตามรู้ไปตามความนจริงเท่นั้นเองไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ดัดแปลงนั่นคือความจริงแต่ที่เราไปดัดแปลงก็เป็นความปรุงแต่งของเราที่จะไปจัดการให้เขาดีตามที่ตามที่เราต้องการนะนั่นมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเป็นการบิด เ, เป็นการแทรกแซงสภาวธรรมเป็นการทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเราก็ไม่เห็น อ่ะทาวะตามความเป็นจริงการประทามก็คือให้เรารู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเป็นนะไม่ใช่ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการการเรารู้ไปตามความเป็นจริงที่เขาเป็นก็มันจะได้เห็นสภาวะความเป็นจริงที่เขาเกิดเขาดับเนาะอย่างเช่นความคิดนี่แหละมันมีความคิดเกิดขึ้นเราก็แค่รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปให้เขาดับไปไม่ต้องไปให้เขาเป็นไปตาม <c oughs> ตามที่เราต้องการนะแต่ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นแล้วเราเออมันไม่ดีนะ มันไม่สงบนะในขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมจเจริญสติอยู่มันมันไม่ควรจะคิดอะไรเยอะต้องมารู้อย่างเดียวเท่านั้นนะนี้เราเราเริ่มไม่เป็นตามความเป็นจริงแล้วเราเริ่มไปจัดการเขาแล้วเราเราก็จะไม่เห็นความคิดที่เขาเกิดแล้วก็ดับเองโดยตัวตัวเองนะแต่กลายว่าเขาดับโดยฝีมือของเรานะตรงนี้มันจะกลายว่ามีตัวตนของเราเข้าไปจัดการกับเขาได้นะั่ ตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญในการบุรุษธรรมนะถ้ามีตัวตนเราเข้าไปจัดการในทุกวิถีทางของกายและใจแล้วมันจะเมาไม่เห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แต่จะเป็นตัวเราเราบังคับบัญชาก็ได้มันจะไม่ออกจากอัตตาตัว ต, วตนเนาะและมันก็ดูไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างนะอย่างความโกรธความไม่พอใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะใครๆก็รู้ยิ่งเป็นนักปฏิบัติก็ยิ่งไม่อยากโกรธไม่อยากไม่พอใจ แต่มันก็เกิดขึ้นมันเองนะเราก็ไม่ได้อยากให้มันโกรธแต่มันก็เกิดขึ้นมันเองนะอันนี้จะได้เห right. ็นความจริงว่าเราก็บังคับก็ไม่ได้นะเขาก็เป็นเขาเช่นนั้นเองเขาจะโกรธเขาจะอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองเพียงแต่ว่าเรารู้เท่าทันไหมว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นั่นเองเขาจึงเป็นเช่นนั้นเองนะแต่ถ้าเราบังคับบัญชาเขาได้เราก็ทําให้เขายาโกรธก็ได้ใช่ไหมแต่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้ เขาจึงสามารถโกรธได้นะครับมาเห็นความจริงไอ้ตรงนี้มันดีมีประโยชน์มากนะแล้วเราเมื่อเราไม่แทรกแซงก็คือเรารู้เฉยๆความโกรธเขากระดับมันเขาเองเพราะว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานะเราจะกล้ากล้าที่จะดูเขาเฉยๆไหมเขาโกรธขึ้นมาก็รู้เฉยๆก็พอก็แค่รู้จบแล้วนะอ่าแน่จบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อมาเวทเจ้าจก็ได้พูดเรื่องจิตฐานอุปสัสนาสติติถามว่า จิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคาจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตมีสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไปตามความเป็นจริงเช่นนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าจิตมีราคาก็ให้ล ะ, ะให้ทําให้หมดราคะจิตมีโทสะก็ทําให้หมดโทสะนั้นไม่ได้พูดอย่างเช่นนั้นนะก็คือให้รู้เท่านั้นก็จบเลย เนะพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีโทสะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นรู้ว่าจิตมีโทสะจบแล้วนะการบัติธรรจบในตรงนี้แล้วนะมีความพอใจเกิดขึ้นรู้ว่ามีความพอใจเกิดขึ้นจบแล้วไม่ต้องไปแทรกแทงไม่ต้องไปจัดการเะไรกัเข้าทั้งสิ้นแค่รู้เฉยจบเลยอันนี้คือสภาพความเป็นจรงิงนะเมื่อเรารู้แล้วว่าขณะนี้ความโกรธข้นมาในใจเราเขาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อไม่ใช่หน้าที่ของเรานะเราไม่หน้าที่รู้เฉยจบเลย เพราะมันจบตั้งแต่ที่เรารู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้น ใ, นในใจเรานะเมื่อเรารู้ไปเฉยๆนะมันก็จะเห็นความจริงเขาความโกรธเกิดขึ้นในสุดเขาก็ต้องดับไปอยู่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ว่ามันหนีไม่พ้นเนะีเราจะได้เห็นความจริงที่ว่าสภาวธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะความพอใจเกิดขึ้นเหมือนกันนะเราอยากให้อยู่เรานานๆก็ไม่ไดนะ้เขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเหมือนกันเขาก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอก พระทูตยามันก็เป็นไปตามสภาวะธรรมที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้มีแต่วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ทั้งสิน้นเะมื่อเราเห็นสภาวะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้บ่อยๆจิตก็จะได้เกิดความเข้าใจว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเราเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงทนในภาวะเดิมไม่ได้ซึ่งเรียกเป็นความเป็นทุกข์เมื่อทนในภาวะเดิมไม่ได้เขาจึงแสดงความไม่เที่ยงที่เรียกว่าเป็นอนิจจังเราเห็นมันต้องเนี้ยเมื่อเราเห็นบ่อยๆ มันก็จะได้เกิดความเข้าใจในการที่ว่าเราตรงเนี้มันจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันจะออกจากการยึดติดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นของของเรานะเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่มันจะได้คลายเความยึดมั่นในตรงนี้ได้เมื่อจิตคลายความยึดมั่นนั่นแหละคือความทุกข์มันก็จะลดลงนะเป็นหนทางที่จะเป็นความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเนาะ ในวัการที่มันปฏิบัติการที่เรามาปฏิบัติธรรมทั้งหลายแลนเีรานี้ก็เพื่อเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์ที่ว่าเราเห็นความไม่เที่ยงไหมนะเมื่อวานเราไปบัติธรรมแล้วรู้สึกว่ามีสติแทบทั้งวันนะพอมาวันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีสติเลยเนะี่ยมันก็เป็นความไม่เที่ยงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ว่าเออทำไมเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนะจิตเราตกแล้วนะเราไปบัติไม่ได้ผลดี ไปบัติมาต้องหลายวันแล้วทําันไม่ไม่ไม่ดีนะหรือไปบัติมาต้องหลายปีหลายๆปีมันทําห้ไม่ดีถาวรนะยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะอันนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ไปนะแต่แเรากลับมาเห็นว่าเออมันมันอย่างเงี้ยเมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีก็คือมันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วนะมันจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาเลยว่าเราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยง นะแต่ถ้าไปเราไปหวังไนะปบัติเพื่อให้เขาดีทาวรนั่นแหละมันมันเป็นความเข้าใจผิดนะเพราะลูกยามันก็ตกในกฎพรรไตรักอยู่แล้วนะมันจะไม่ดีทาวรหรอกนะบางคนก็บอกว่าเออทำไมปฏิบัติธรรมไม่ต้องนานแล้วนะรู้สึกไม่ก้าวหน้าเลยนะก็ถามว่าทําไมเป็นเช่นนั้นกขาบอกเขาก็ยังมีความโกรธมีความหลงอยู่นะนะนะเพราะว่าตรงนี้เขาก็ไม่เข้าใจนะมันก็ ความโกรธความหลงมันไม่ใช่เรามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นนะมันในเมื่อร่างกายจิตใจมันไม่ใช่เราอยู่แล้วนะแล้วความโกรธความหลงซึ่งเกิดจากจิตใจมันจะเป็นของเราได้อย่างไรนะมันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่ว่าเขามาแล้วก็ไปไม่เกี่ยวกับเราแม้แต่นิดเดียวนะแต่ถ้าเราไปมุ่งกําจัดความโกรธความหลงอยู่แล้วมันก็มุ่งกาจัดอยู่ทเช่นนั้นมันก็มุ่งกําจัดตลอดไป เพราะมันกําจัดไม่ได้หรอกเพราะมันไม่แช่งเราตั้งแต่ต้นแล้วแล้วมันจะไปกําจัดอะไรนะมันก็มีความทุกข์ในตรงนั้นเราก็เลยสงสัยทำไมเราไปบธรรมแล้วไม่ก้าวหน้านะตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างแท้จริงแล้วก็ไปวนไปหลงเหมือนกับคนที่นั่งสมาธินั่นแหละไม่มีอะไรเลยนั่งสมาธินี่บางวันก็จิตสงบบางวันก็จิตไม่สงบแค่นั่นเองแต่ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยว่าเห็นความจริงไหมในความไม่เที่ยงที่เราบังคับเขไม่ได้แต่จะนั่งให้มันสงบ เมื่อไม่สงบก็มีความทุกข์เวลาจิตสงบก็มีความพอใจแค่นั้นเองนะไม่ได้ก้าวหน้าในทางปัญญาแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วการทำก็เป็นสิ่งที่ง่ายในจิตจำบันของเราก็คืออะไรเกิดขึ้นก็ได้จะดีจะชั่วยจะถูกจะผิดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะดูอย่างเป็นภาวะธรรมของเขาเองไม่ใช่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ตัวเม่ตนของเราที่เราต้องไปจัดการอะไรแต่อย่างใดนะ เพรา ะ, ะนั้นมันเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในความที่มันไม่ตัวไม่ใช่ตนนี่ได้ไหมนะถ้าเรายังไม่เข้าใจในตรงนี้มันก็ยังมีความยึดติดในความเป็นตัวเราอยู่นะมันก็ไม่ออกมาจากตรงนี้ได้เพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่มันพอใจก็ว่าเป็นของเราพอใจสิ่งที่ไม่พอใจก็ว่าไม่เป็นไม่เป็นความเราเป็นความไม่พอใจของเรานะแต่วิเจ้าได้ทรงตัดไปชัดเจนแล้วที่เราได้ทาวัชชาประจา ลูกเวนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นความทุกข์เป็นอนัตตาแะไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดไปชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นทั้งกายและใจจริงๆไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะและมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาระอัตตาตัวตนแต่อย่างใดเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราตั้งแต่ตนแล้วนะมันไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ตั้งอต่ตัตตนแล้วแต่มันมีอยู่นะกายและใจมันมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรา ตรงนเนี้ยถ้าเราเข้าใจในตรงน no ี้มันก็เป็นการที่มันวางวางในตัวแล้ law, วนะมันไม่ต้องเป็นละอตาแต่อย่างใดก็เกิดจากการที่เราสามารถที่จะมีความเห็นมีความเข้าใจบ่อยๆไหมว่ามันไม่ใช่ตัวมีตัของเราบ่อยๆเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ย like งมันเกิดมันดับบ่อยๆไหมนะเมื่อเห็นมันบ่อยๆแล้วนัมันก <travels Magazine. S 1> ็จะเกิดความเข้าใจแล้วมันก็จะมีการถอดถอน ความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนของเราได้ต่อมาแต่ถ้าเราไม่เห็นในตรงนี้มันก <ım ensen> ็จะมันก็จะไม่ถอดถอนความเข้าใจผิดของเราแต่อย่างใดเมื่อจิตใจสามารถถอดถอนความเข้าใจผิดในตรงนี้ได้มันจะเกิดการพลิกกลับนะเป็นความเข้าใจอีกประเภทหนึ่งซึ่งมันก็สามารถที่จะมีกิเลสได้แต่ว่ามันไม่ได้ไปเข้าใจว่าเป็นของเรามันไม่ได้ไปยึดติดในตรงนั้นนะมันวางมันวางมันได้เองแล้วนะเป็นความมันเป็นการพลิกกลับ มันจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการบรรลุธรรมแต่เป็นการพลิกความเข้าใจเกิดขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเนาะตรงนี้ถ้ามันมันเป็นสิ่งเหล่านี้มันก็มันจะเป็นสิ่งที่ว่ามันมันสามารถที่จะง่ายมันไม่ยากเนาะแต่ถ้าเราไปคิดว่าจะต้องละกิเลสทั้งหมดหมดสิ้นนะจนจริงจะบรรลุธรรมอันนั้นก็เป็นความที่เข้าใจผิดของเรานะเพราะเราเข้าใจวิกิเลสของเราเราจะต้องไปละให้หมดนะมันมันไม่มีไม่ไม่ใช่หนทางที่ว่าจะเป็นาการที่ว่า ะจะพ้นทุกข์ได้จริงๆนะเพราะมีตัวเรามีตัวเราที่จะไปจัดการกากิเลส ท, ทั้งหลายให้หมดไปนะมีตัวเราตังต้นแล้วนะไปจัดการกิเลสของเราให้หมดไปมันก็จึงไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้เนาะอันนี้ถ้ามามามาได้ยินที่หลวงปู่ดูลท่านบอกก็จะเข้าใจมากขึ้นนะก็มีผู้ที่ถามหลวงปู่ดูลย์ว่ามีใครล ะ, ะความโกรธได้เด็ดขาดไหมหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครละได้เด็ดขาดหรอก เวลารู้ทันแล้วก็ดับไปก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ยังมีความโกรธอยู่ไหมหลวงปู่ว่ามีแต่ไม่เอาเนาะก็คือมันมีนะมันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่เราก็ไม่เอานะเพราะว่ามันเป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เรามันมาแล้วก็ไปมันก็จบในตรงนั้นแล้วนะแต่เราคิดไปของเรามันก็ไม่จบนะเพราะเราต้องไปคอยละมันเนี่ยเพราะเราตรงเนี้ยเราไปให้ค่าในสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้น แล้วเรากลับไปยึดติดในตรงนั <S <s ้นเองทั midst, ้งๆนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดตามาธรรมตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าเรากลับไปยึดประเด็นของเราเนี่ยมีตัวตนเข้าไปยึดตลอดเลยนะมันตรงนี้มันกลับมาสังเกตไม่ทันไม่เห็นเนาะเป็นความปรุงแต่งในจิตใจที่มันรวดเร็วมากจริงๆแล้วความปรุงแต่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เรารู้ไม่ทันแล้วเราก็ไปปรุงมันเองหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะที่เกิดขึ้นมาเนี่ย อาจจะมีใครพูดไม่ดีพูดไม่เพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ด่าเราแต่ก็พูดไม่เพราะทั่วๆไปเราจะรู้สึกขัดเคืองใจแต่สังเกตไว้หมาที่มันอยู่กับเรามันไม่ได้ขัดเคืองใจไม่ได้นิดเดียวมันไม่มันไม่สนใจนะเนี่ยหรือสัตว์ต่างๆเขาก็ไม่สนใจนะไม่ไม่มีอะไรสนใจแต่เราไปสนใจนี่แหละคือความปรุงแต่งของเราเองเนาะหรือผีนะบางคนบอกว่าผีนะกลัวผีจังเลยนะกลัวผี มันไม่เห็นหมามักูกลัวผีอไไก่มันก็ไม่กลัวผีนตะคนเราไปปรุงแต่งกับไปเองทั้งนั้นนะมันมีเก็บเรื่องอะไรมาคิดแล้ ว, ว่าปรุงแต่งไปไม่รู้นะในตรงนี้เราจะสังเกตว่าจิตใ จ, จเราปรุงแต่งตลอดเวลานะแต่เราไม่รู้นะนะแต่สัตว์ต่างๆมันไม่เคยกลัวผีไม่เคยอะไรทั้งสิน้นมันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรทั้งสิน้นนะแต่เราเป็นมนุษย์นี่แหละเรามีความปรุงแต่งต่างๆเยอะ ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ทันมันมันอยู่ในก้นบึง้งเรามาต้องนานแล้วเราไม่รู้ทันมันแล้วมันออกมาในรูปต่างๆที่เราไม่เห็นไม่สังเกตทันเนี่ยต้นสิ่งต่างๆนี่คือความปรุงต่งทางนั้นเลยนะในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจทุกอย่างแต่เราไม่เห็นไม่รู้ไม่ทันเราก็มีความยึดติดนะเราเราคิดว่าเราถูกนะเรายึดในความถูกเราก็เห็นคนอื่นผิดไปเขาทำทำผิดนะ เราคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เห็นคนอื่นที่ทำไม่ถูกต้องไม่เหมือนกับเราเป็นทำไม่ดีทำชั่วไปนะนี่คือความยึดติดยึดติดในความถูกต้องยึดติดในความดีนะมันก็เป็นความยึดติดทังนั้นนะเป็นความยึดติดในข้างใดข้างหนึ่งนะมันก็เป็นการที่เราอ่ามีความที่เรียกว่ามันตรงข้ามที่ว่าเรามีความยึดติดในความนี่มันถูกนี่มันผิดนะ จิตมันไม่เป็นกลายจริงๆนะแล้วก็ปรุงปุงแต่งไปในสภาวะธรรมต่างๆนะเพราะตรงนี้มันเป็นสิ่งว่าเราต้องสังเกตจิตให้ทันว่ามันไปยึดติดในความดีนะหรือความถูกต้องไหมนะถ้าเราใบบันแล้วเราไปยึดติดในตรงนั้นมันก็ไม่ใช่นะเราเราคิดว่าเรามีสตินะแต่เพื่อนมีใครก็ว่าเราเนะี่ยไม่มีสติเลยนะเราจะรู้สึกไม่พอใจนะเพราะเราคิดว่าเรามีสตินั่นแหละมันเป็นความยึดติดที่มันละเอียดแต่เรารู้ไม่ทัน เราทำความดีทำอะไรดีๆต้องเยอะๆนะหรือบริจาคทานช่วยทำอาหารช่วยทำสิ่งต่างๆเยอะแต่ไม่มีใครชมเราเลยนะไม่มีใครพูดถึงเราสักคนหนึ่งนะนั่นนะเป็นความยึดติดในตัวเราแล้วนะทำอะไรก็ต้องมีใครเห็นมีใครชมถ้าไม่มีใครชมไม่มีใครเห็นเราก็ไม่อยากทำเนาะอันนี้เป็นความยึดติดนะในบางอย่างที่เราสังเกต สา ม, มารถสังเกตได้นะว่ามันมีตัวตนเราเข้าไปแทรกอยู่ตลอดเวลานะมันจะมีตัวตนเราเป็นผู้ได้เสียอยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าเราไม่ยึดติดในตรงนั้นแล้วเราก็จะเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีความได้เสียอะไระทําดีก็ไม่มีใครชมก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะมันนีมน่มันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสังเกตได้ไหมในความปรุงแต่งเล็กๆน้อย ๆ, ๆเหล่านี้นะเขาเรียกว่าเป็นความเมื่อสีขาวที่อยู่ในใจของเรา นะเพราะฉนั้นนักปฏิบัตนินี่บางคนปฏิบัติแล้วดีนะเราก็คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นนะเราวิเศษกว่าคนอื่นนี้นะ่าเป็นตัวตนทั้งนั้นเลยนะปฏิบัติดีไม่ดีมันมีสภาวะมันเหมือนกันหลงและรู้จริงๆมีค่าเท่ากันเพราะเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดนะไม่ว่าตึงไหนมันจะดีกว่ากันนะมันต้องวางให้ได้ทุกอย่างเนาะนีตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจในหนทางปฏิบัติธรรมมันก็จะสั้นก็จะง่ายไปเรื่อยๆนะเหนะมือนกับว่าเออมันไม่ใช่ว่าต้องมารลุธรรมฉับพลัดหรือว่าอะไร มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจไหมแล้วมันก็จะค่อยๆคลายความยึดติดไปเองเหมือนรองเท้านะเราใส่ไปเราไม่รู้ว่ามันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อนานไปก็เริ่มสังเกตว่ารองเท้ามันสึกไปนะเพราะฉะนนั้เมื่อจิตใจเราเริ่มเข้าใจเริ่มคลายความยึดติดเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มที่จะไม่อะไรกับอะไรมันจะสังเกตได้ว่าความยึดมันเราก็เริ่มจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะนีะ่แหละเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ อย่างแท้จริงนะเพราะฉนั้นจึงสังเกตได้ว่าจากเมากาื่อก่อนที่เราไปบัติธรรมเพื่อต้องการอะไร<ส>เพื่อต้องการเป็นอะไรเพื่อต้องการได้อะไร <S <S ก็กลายว่าเราไปบัติธรทำนะ <S <S เพื่อการปล่อย <S 2> <S 2> การวางการมายึดติดการมายึดมั่นถือมั่นนี่นะนี่เป็นหนทางที่ว่ามันเป็นสู่ความพ้นทุกข์ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อตัณหาแต่ปฏิบัติเพื่อการละการวางการปล่อยนะสมดังทักวิจารณ์ได้ทรงตรัสไว้ว่าสาเพธทมานาลังพิเนเวสายะ ทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเราอันนี้ก็เราก็จะได้คล า, ายความยึดติดในร่างกายและจิตใจว่าเป็นของเรานะเมื่อเราคลายได้หมดแล้วนั่นแหละคือความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเนาะในไทยส่วนนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเรามีความจเจริญได้สติสมาธิปัญญาและถึงเรื่องความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วผ่านทุกท่านเทิด